บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสังโยชน์ที่แปลวกิเลสซึงปลูกใจสัตว์จุูมีจำนวนสิบประการที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในแง่ของความเป็นจริงก็คืออาการของโรคปูดตรง ที่ตามปกติแล้วก็สงบอยู่ในภายในแบบตะกอนนอนก้นภาจนะตอเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางประสาทสัมผัสคืเห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูสูดดมด้วยจ ม, มกูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายหรือแม้แต่เดี๋ยวนึกตรึกนึกมาดูใจซึ่งทำไปด้วยอำนาจของอวิชชาเป็นพื้นฐานอาการของสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น ในหมวดนี้พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ดูจิตใจของเราใยายามพรีรกระทบอารมณ์ข้างนอกว่ ม, มีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไมถ้าเกิดขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงและพียายามลดละบันเทาลดความรุนแรงช่วงที่สังโยชน์เหล่านั้นครอบนำใจให้สั้นขรับ อาจเการบรรเทาทั้งกิเลสและบรรเทาทางความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกิสมุตปลายดับไปประโยชน์ในข้อต่อไปที่กล่าวมาในวันก่อนตอนหนึ่งนั้นคือเรื่องของมานะคำว่ามานะในภาษาไทยเราใช้ไปทํานองคล้ายๆกับเป็นเรื่องของความเกียนิเชศมานะพยา มานาอุดพุตลอดถึงคนนี้มีมานาดีลักษณะเหล่านี้จะแสดงเห็นว่ากติไทยเรามองคล้ายๆกับความเพียรคล้ายๆกับความอดทนหรือปัจจัยสนับสนุนความเพียรความอดทนมานาจึงถูกใช้ไปในทางที่ดีในทางโฆษณาเองก็ไม่ค่อยพูดในตรงนี้ระดับโดยทั่วไป แต่จะเป็นการพูดระดับลึกๆระดับของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหมายความว่าจิตใจของบุคคลได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติมีความสงบเพิ่มขึ้นโดยลำดับแล้วทรงสอนในตรวจดูมานะที่มีอยู่ภายในใจหรือในชั้นของพวกที่เราเรียกว่าอนุใสในชั้นที่เ ร, เรียกว่านิวรในชั้นที่เราเรียกว่าสังโยชน์ในชั้นที่เรเรียกว่าอุปกิเลส ลักษณะของมานะก็จะพูกเพราะก็ว่ามานะเป็นกิเลสที่ค่อนข้า ง, งละเอียดการใช้ในระดับทัวๆไปนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรบางทีคล้ายๆกับจิตสำ น, นึกหรือสำนวนศาสนาที่กขาใช้คาสัญญาเช่นมานะว่าเราเป็นเป็นคน จะต้องทำความดีให้ได้เกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้อาการเหล่านี้เป็นอาการของมานะถือเราก็หนึ่งเหมือนกันเมื่อคนอื่นเ็าทำได้เราก็ต้องทำให้ได้อาจจะเป็นการลองผิดลองถูกครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งความคิดในลักษณะนี้ ม, ม, ม, มีอยู่แม้ในปฏตเสธสารนะางับ ที่เขาเล่าถึงโคซึ่งขนเกวียนลากเกวียนไปเกวียนหนักเกินกระบังที่โคจะลากลากจนเข่าสุดเกวียนก็ไม่ใช่เกวียนแต่โคเหล่านั้นในฐานะที่เป็นโคลักเกวียนทำไมโบราณจะเรียกว่าโคป ร, ริพัฒ์คือมีไดวแรงมากในสุดแกก็พยายามลากจะได้เรื่องของโคนันทวิสานที่ลากเกวียนในตอนหลัง ท่านทาน ท, ที่เรียนก็หนักแต่โดยมาณะวาเราก็เป็นโคซึ่งมีชสื่อเสียงก็รักเรียนได้หรือในคติของไทยคำกรรที่พูดว่าเราก็ชายไมายมากระชาติเชื้อถึงเจอเสือก็จะสู้ดูสักคนเป็นาการเข้ามาณะที่เกิดขึ้นเราก็เป็นคนก็เป็นชายมีภัยอันตรายอะไรก็ต้องต่อสู้กันได้ ในแนวของโลกโลกเราจรึงไม่ค่อยพูดถึงเรื่องมานะในแนวที่เป็นอันตรายเพียงแต่ว่าให้ลดความรุนแรงในของมานะบางอย่างลงไปเช่นอะไรมานะที่เราเรียกว่าอติมานะคือจะดูถูกดูดบุคคลอื่นในเรื่องของชาติสกูลบ้างในเรื่องของความรู้บ้างในเรื่องของทรัพย์สินบ้างในเรื่องของ สถานะทางสังคมบ้างในเรื่องของวิชาความรู้บ้างก็แล้วแต่ซึ่งผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าลักษณะความคิดเหล่านี้เมื่อเราเห็นคนบางคนมันจะมีความรู้สึกวูบขึ้นภายในใจอา จ, จนานหรือไม่นานก็ตามแต่พึงสังเกตว่าบางครั้งก็เป็นกิเลสที่เราแต่งตัวสวยๆไปเจอคนที่แต่งตัวปอนๆเราก็เกิดรู้สึกเทียบเคียงแล้วก็ดูหมิ่น เราคนคนนี้แต่งตัวปอนสก็ตกเราแต่งตัวสวยกว่ารา่างรถราคาดีกว่าราคาแพงกว่าไปเจอคนที่เดินถนนหรือคนที่นั่งรถเก่าๆค้ามขลาเราก็เกิดมานะดูหมิน่นเขาเราไปในสถานที่ต่งตางๆมีคนต้อนรับขับสู้ดีได้ที่นั่งดีปรากฏเด่นคนทั้งหลายให้ความสนใจแต่พอคนอื่นเดินเข้ามาคนทั้งหลายไม่สนใจเราเกิดชี้เขี่ย รู้สึกว่าเราใหญ่กว่าเขาเราแน่กว่าเขาเรามีความสาคัญกว่าเขาแล้วก็ดูหมิ่นเขาในขณะเดียวกันก็เกิดพองตัวขึ้นมาจิต ใ, ใจก็ฟูขึ้นโดนาทของความรู้สึกหลงตัวเองพองตัวเองเป็นอาการพองซึ่งบางทีท่านประสอนในแนวของนิคานที่ทานเล่าถึงอื่งอ่างถึงทิงลูกเอาไว้ แล้วตัวเองก็ไปหากินโคก็มาเหยียบเอาลูกตายไปจำนวนมากแแม่กลับมาลูกก็ล่าใหฟังว่ามีสัตว์ตัวใหญ่มากแต่มาเหยียบเอาพี่น้องก็ตายไปองอานนั้นสำคัญกว่าตัวเองก็เป็นสัตว์ใหญ่เหมือนกันก็พองตัวขึ้นแล้วก็ถามลูกว่าโตขนาดนี้ไหมโตขนาดนี้ไมโตขนาดนี้ไหม ลูกก็ตอปว่าโตกว่าโตกว่าดีๆก็เบ่งคลองจนท้องแตกตายถ้าเรานี้ก็คือการสอนในแนวของมันะเป็นลักษณะของการแข่งดีแข่งความใหญ่แข่งความสำคัญโดยบางครั้งบางคราวก็อาจจะลามป่าไปสู่การทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อตนเมื่อเห็นว่าตนจะต่อสู้กาไม่ได้ ซึ่งกรณีท่านสายส่วนทั้งหลายลองย้อนกลับไปดูเรื่องศึกระหว่างกรุงราชครึกกับกษัตริย์นิจชวีในเรื่องสามกีเพื่อคำสั่งพระเจ้าตอนตอน้ตนๆพระเจ้าชายสุก็เกิดมาณนะว่าเรานั้นใหญ่ที่สุดเป็นกษัตริย์ที่มีประเทศใหญ่ที่สุดมีประชาชนมากที่สุดมีทรัพย์สินคารมากที่สุดมีกองทัพยิ่งใหญ่ที่สุดที่สุดทั้งนั้นเออเกิดดูหมิอคนเดิม เกิดาการพองขึ้นไปในพระไถ่ของพระองค์ก็มีความรู้สึกว่าเรามันก็ยอดละแต่เมื่ออำมาตย์ทั้งหลายมีวัฏกรารพรามสุนีพะมหามาตย์ชี้แจงให้ทรงทราบว่าที่พระองค์เข้าใจเช่ น, นั้นที่จริงไม่ถูกต้องมเมื่อเทียบเคียงแล้วเนี่ยแค<ม>ว้นไฟซาลีเมืองไฟซาลีนี่มีความบั้งคัางมากกว่ามีทรัพย์สมบัติมากกว่ามีบริวารมากกว่าบ้านเมืองเจริญมากกว่า เมื่อก่อนเมื่อเกิดอติมรณะคือดูหมิ่นคนอื่นแต่พอรู้คนอื่นแข่งดีคนอื่นเก่งกว่าเราก็เกิดแข่งดีแต่แข่งดีมันไม่ใช่ง่ายเพราะว่ากษัตริย์ริชวีนั้นสร้างเมืองมานานแล้วขยายเมืองตั้งเจ็ดครั้งด้วยกันแต่เหตุว่าจะต่อสู้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เราก็ทําลายเมืองไปเลยคือยึดครองเมืองเพื่อจะให้ตัวเองโดดเด่นกว่า แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ามันก็เหมือนกับการแข่งขันเจตุพุทธะแข่งขันจักรยานวิ่งแข่งเห็นท่าเราจะวิ่งแข่งเพื่อนไม่ได้ก็ปัดขาเพื่อในให้หกลม้มแล้วเราก็วิ่งในการวิทยาลัยที่ิีก็คืออาการต้องจีบมานะถือตัวเราต้อแม่เราต้องชนะเห็นเพื่อนทักจะวิ่งดีก็เกิดอาการแข่งดีขึ้นมาก็แข่งดีแข่มข ง, ขมขงมาเห็นทักจะ ดีก็สู้เขาไม่ได้ก็เลยทําลายเขาซะเลยจิตมันก็เลื่อนไหลไปในในกระแสของกิเลสกลาเป็นอาการของมานะเข้มพ้นมากยิ่งขึ้นอาการก็โลภคืออยากจะเป็นอย่างที่ตัวคิดว่าตัวเป็นมันก็เพิ่มขึ้นอาการก็โมหะคือความหลงในประเด็นั็เพิ่มขึ้นจนในที่สุดไปปัดเทิงปัดขา ทำคนอื่นหกลม้มทําคนอื่นเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเองก็จะเอาเถิดเภาพานี้จริงๆก็เป็นภาพที่เราพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันในการแข่งขันในการต่อสู้และบางครั้งก็เกิดภายในจิตใจของเราเองเพราะมานาะในลักษณะที่เรียกว่าติมานะคือดูหมิ่นบุคคลอื่นด้วยอะไรก็ตามโดยใช้ชาติกลุ่น เช่นเคยเล่าเรื่องมานัพพตปรามแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็ไม่ไหวถือว่าตัวเองเป็นคนที่มีวัฒณะบริสุทธิ์แล้วไม่ให้ความเคารพนับถือใครเอาขนาดมางขาวพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมไหวพระโยบุตรเจ้าเป็นเกรื่อนเป ด, ดีเป็นคนวัฒณะต่ำตัวเองมีวัฒณะสูงกว่า พระเจ้าต้องย้ำเตือนให้รู้ถึงความคิดดูหมินของท่านที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าพรามคนเราคิที่นี้ไม่สมควรหรอกเราไปที่ไหนเรามาในที่ใดเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไรก็ควรจะให้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการพรามเกิดว่าครัสะดุ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบแม้แต่ความคิด แต้มานาะทิจิดเราแน่เราเก่งเอาก็จริงเราไม่ทราบความคิดคนอื่นแต่พระเจ้าทราบความคิดของตนจิตใจก็อ่อนโยนลงกลาบลงแทบบาทของพระพุทธเจ้าจุกพิษที่ประบาทจึงถือว่าแสดงความกุลกสุงสุดพระเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมเมือ่อฟังไปแล้วก็บรรลุมรควนได้ แต่ถ้าใจยังมีมานะอยู่๋ยมันจะเดิดไม่ได้ไม่ต้องดูตัวอย่างอื่นไกลเช่นปันจบรคีมีความรู้สึกพระเจ้าไม่ได้จะสรวลที่ามาหาพวกท่านนั้นก็คงจะไม่มีใครดูแลอุปถัมภ์รับใช้กผมจะมาขอใช่วยดูแลอุปถัมภ์รับใช้หรือถ้าใจท่าเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีทางที่จะฟังธรรมะได้ มันจะเหมือนกับไม้ที่ยังไม่ได้สากบพาเล็กเกอร์ไปประเภทนั้นคือไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้นพระเจ้าจึงต้องลดมาหน้าความซื่อตัวของท่านเหล่าั้นลงไปจนในที่สุดก็ยอมรับนักศึกว่าพระเจ้านั้นได้แตสรุปแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมท่านอันญาโกานันญาก็ได้โดนตาย บางครั้งอาจจะเกิดมานะเพราะรูปร่างหน้าตาเราจะเห็นทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมฆะมานะที่อยู่ในอาการของความถือตัวเราเองพระ น, นางรู ป, ปรดันธาพระกนิษฐาปกิณีของพระพุทธเจ้าประชนมายุอ่อนกว่าพระเจ้าสองปี เราแสดงว่าตอนพระพุทธเจ้าศัสรูนั้นพระนางก็มีประชดอายุ33ปีตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลละพัทหลังจากศัตรูแลประบัน3ปีแล้วกว่าที่นางมหาประชาบดีโคจะมีจะบวชว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นพระนางก็คงอายุ ป, ประมาณ 40, 40กว่าปีแล้วจะสวยงามยังไงมันก็ต้องแก่ล้ว พระวลังมีความเข้าระไทยว่ายังสวยงามเหมือนเดิมจนในที่สุดพระญาติผู้ใหญ่ก็เสด็จออกพนวดไปหมดแล้วยาวตูตูทนหน้าเองก็ที่วงคตแล้วก็อยู่ในวังคนเดียวก็เหนาก็ขอบวช ด, ด้วยแต่ก็ไม่ยอมไปฟังเทศควงมธรรมกลัวพระเจ้าจะทรงแสดงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความปฏิกูลน่าเกลียของร่างกายพระเจ้าต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเปนันมาก กว่าจะลดมานะตรงนี้ลงไปได้จะต้องสร้างรูปผู้หญิงสวยงามขึ้นมาด้วยพุทธานุภาพให้เธอเห็นว่าสังขารแม่ประนี่ขนาดนี้มันก็จะมีการเสื่อมสลายไปนับภาษาอะไรกับสังขารร่างกายของพระนางรูปปนันทาซึ่งก็ผ่านการเวลามาตั้งสีิบกว่าปีแล้วมันต้องเสื่อมต้องแก่ต้องสราแล้วต้องแตกดับไปในที่สุดมานะตรงนี้นวลเหนียวพระนางเอาไว้ตั้งไหน หือบางอย่างเรื่องเป็นชนะที่ตามเสด็จเจ้าชายจิตตธาออกกำหนดเราจะเห็ว่าประชนะนั้นที่จริงก็ถือตัวว่าเป็นค่าเก่าเ่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหนึ่งที่สุดคือใกล้ชิดที่สุดกับพระพุทธเจ้าจะมีความรู้สึกเลยเถิดไปว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระลูก้าของขัน ถ้าทพระพุทธเจ้าพระลูกเจ้าของท่านก็จระสรุปลาตอนพระลูกเจ้าเสด็จออกโคนโนดมันก็ไม่มีเห็นใครไม่มีสารีบุตรมโมคคัลลานะจิตไหนก็มีแต่ท่านกับพระลูกเจ้าแต่นั้นเนองส่วนคนเหล่านี้เราอื่นจะเป็นใครใญ่โตไปยังไงแม้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะที่เป็นพระอาฆาสาวกท่านก็มองมันก็เศษสวะลอยน้ามาจิตริมตลิงแต่นั่นเองไม่มีคุณค่าอะไรที่จะมาว่ากล่าวแนะนําตักเตือนสั่งสอนท่าน ก็เป็นที่ขยาดหวาดสะดุ้งของพระสงฆ์ทั้งหลายใครว่ากลาวกเตือนอะไรท่านก็ต่างก็ไม่ยอมจนพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวิดในพราะประชันะนาในหลายครั้งด้วยกันเอาก็จริงก็แก้ท่านไม่ได้จนในที่สุดก่อนประนิพนานพระอนุ์ต้องกราบทูลถามว่าจะทำยังไงกับพระฉันนะดีจ้ะ เพราะในวงการพระสงฆ์คือนักบวชทั้งหมดภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางิกะาบานา น, า น, านห้าประเทที่พระชานะนากลัวพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวเนี่ยเป็นปนัญหาใหญ่มากเมื่อพระจันทนิพพานเนี่ยใครจะเอาท่านอยู่พระเจ้าจึงวางมาตรการให้พระอนุนลงพรมทันให้สงลงพรมมาทันก็ อ, อยากจะทำอะไรก็ทำไปตอนนั้นตัองก็แก่แล้วยุตทั้ง80ดิแล้วก็ยังดื้อไมห่หาย วิธีพรหมทานจึงสั่งไว้เฉพาะว่าพระชนะจะทำอะไรก็ทำไปจะพูดอะไรก็พูดไปหกกระเมนดีลังกาอะไรก็ว่าไปคณะสองอย่าพูดด้วยไม่ต้องท้วงติงไม่ต้องพูดไม่ต้องตัดเตือนว่ากลา่าวล้วไม่ต้องห้ามตามอะไรท่านแต่ว่าเอ า, าจริงก็ไม่ถึงกับ ไ, ได้ทำหรอกเพราะว่า พอพระเจ้านิพผานทางก็ลดลงไปได้นะ่ะมันไม่มีที่ที่จะเบ่งแล้วไม่มีที่ที่จะไปข่มคู่คนอื่นแล้จะเห็นว่ามานะตรงนี้หน่วงท่านเอาไว้ทั้งนานพะท่านลดตรงนี้ลงไปได้ท่านก็บรรลุมรคผลเป็นพระหันไปทั้งนานแล้วก็ทํางานอะไรช่วยเหลือพระพุทธเจ้าได้อีกมากแต่แทนที่จะช่วยเหลือกลับสร้างปัญหาสารพัดได้เกิดขึ้นพระเจ้าต้องตามแก้ ปัญหาต้องบัญญัติประวิยนัยต้องควบคุมต้องเรียกมาตักเตือนเวลาพระเจ้าตักเตือนถ้าฟกฟังแต่ทางก็จะเบี้ยวไปในทางอื่นก็แก้ปัญหาประชนะรูปเดียวเนี่ยตั้งหลายครั้งหลายคนด้ยกนถ้ามองกลับไปจริงๆก็คือตัวมานะของท่านที่ถือว่าเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าและเกิดอาคการตรงนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่พระเทวทัตเอง เราเห็นว่าปัญหาใหญ่ของมเทวทัตั้นที่จริงตอนออกบวชท่านก็ออกบวช ด, ด้วยศรัทธาซักชวนเพื่อนฝูงญาติที่วงรงษาออกบวชตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเดินทางไกลจากกรุงราชคฤห์ไปถึงแคว้นมัลละแล้วขอบวชตอนบวชที่จริงท่านก็ลดมานะลงไปโดยให้พันอุบาลีซึ่งเป็นช่างการระบบบวชก่อนราชกุมารอีกหรูปก็บวชทีหลัง บทพร้อมกับพระอานนท์พระอนุนรนุตพระพัตยะพระภคุพระกิบบิละพระอุบาลีแต่มาณมันเกิดตอนไหนเกิดเมื่อตอนที่พระเจ้าเสด็จเมืองไพ่สาลีประชาชนทราบข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็แห่แหนกันมา้าดมาถวายบังคมกราบทูลถามถึงพระรูปนั้นรูปนี้รูปโน้นไม่มีใครถามถึงพระเทวัต ตรงนี้เองที่วูบของมานะมันเกิดขึ้นเอ๊เราก็เป็นกษัตริย์คนเหล่านี้ก็เป็นกษัตริย์ออกบวชเราเป็นลูกศิษย์หลวพ่ทธ่เจ้าคนเหล่านี้ก็เป็นลูกศิษย์หรวงพทอเจ้าเราเป็นพระคนเหล่านี้ก็เป็นพระทั้งก็เทียบเคียงไปเรื่อยๆมันก็เกิดการแข่งดีเราก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ทําไมได้รับการยอมรับน้ำสือศรัทธาจะบุคคลอื่นที่เป็นอย่างที่เราเป็นการแข่งดีมันก็เกิดเขรียกอัติมานะคือดูหมินคนอื่น และในสุดนั่นก็เตลิดเบิดเบิงไปกันใหญ่อย่างที่ทราบกันเพราะกิเลสเหล่านี้จึงอยู่ลึกๆและเป็นกิเลสที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะว่าพราะยะบุคคลสามระดับแรกนี่ละไม่ได้คนละกิเลสประเภทมานะได้มันก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองแต่นั้นในระดับของสามัญชนทั่วไปจึงพูดในแง่ของการลดไม่ได้พูดในแง่ของการละ เลานั้นต้องละด้วยอรหัตตะมกักเท่านั้นเองละอย่างอื่นไม่ขาดท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามานะมันมีหลายระดับโดยเอาเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ว่าแล้วอาจจะเป็นสิบสิบร้อยๆ ย, ยก็ได้เป็นตัวเงื่อนไขจนเรารวยกว่าเขาหรือแม้แต่ว่ามีเงินด้วยกันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไอ้เงินของเราดัานใหม่กว่าเขา ก็ เ, เราออกมาจากธนาคารสดๆร้อนๆไม่ผ่านมือใครไปจนเคยพบมีท่านผู้หนึ่งเป็นคนที่มีมารณ์ละเอามากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแข่งดีไปตลาดไปซื้อผ้ากับเพื่อนพับเดียวกันแกก็บอกของแกเนื้อดีกว่าของแกสวยกว่าสีสดกว่าทั้งๆที่เป็นผ้าพับเดียวกัน แล้วก็ไม่เคยยอมใครเลยนี่แสดงให้เห็นถึงอาการของมานะที่มันเป็นปกตินิสัยเป็นลักษณะนิสัยเขาก็เป็นเขาอย่างี้มีการดูหมิ่นคนอื่นมีการแข่งบีมีการตีเสมอมีการพยายามเอาชนะค้าขานคนอื่นด้วยวิธีการใดอย่างหนึ่ง ซึ่งบางทีเรานั้นมีดีไม่พอเราก็อ้างพ่ออ้างแม่อ้างปู่ย่าตายายอ้างวงศาคณาญาติบรรพชนนะเรานามสกุลนั้นลูกหลานนั้นปู่ย่าตาทวดเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงเราไม่มีดีขนาดนั้นเราก็โขนคนอื่นทําให้มีความรู้สึกว่าเราก็เหนือกว่าคนอื่นพระเจ้าทรงจําแนกมาณด ก, กลุ่มนี้ไว้เป็น9้าประเภทด้วยกัน โดยตัวเองเป็นฐานคือหมายความคนเราแต่ละคนนั้นเป็นฐานส่วนจะเอาอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดมานะก็ได้ก็แล้วแต่เช่นอาจจะเป็นรูปร่างอาจจะเป็นตระกูลอาจจะเป็นทรัพย์อาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นฐานะทางสังคมอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะรับเป็นเรื่องตะเกียบทยลดชื่อเสียงอาจจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอาจจะเป็นเรื่องลาบยศสรรเสริญสุขก็ก็ไม่รู้ก็เรื่องมากมายแก่กอง แล้วก็ตัวเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือหลายๆลยอย่างมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เลิศ ก, กว่าเขาแม้เราจะเลิศ ก, กว่าเขาก็ตามแต่ความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอาการกิเลสเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีความ ร, าร้อนมีความขุ่นมือขึ้นภายในจิตใจแล้วก็เดียวไปทางแข่งดีแล้วก็พยายามออกจนะ ในขณะเดียวกันก็มีโลภะหรือความลบอยากให้คนอื่นยอมรับความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นของเราบางทีเราเป็นผู้เลิกกว่าเขาจริงแต่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเสมอเขาอาจจะก่อให้เกิดการวางตัวที่ไม่เหมาะไม่ควรกับกาลเกเทศกรกกลุ่มคนกับบุ ค, คลที่เราก็าเปี่ยวก็ข้องมันก็มีปัญหาในด้านธา ร, รมปฏิบัติหรือบางทีก็ถือว่าเราเป็นผู้เลิ ก, กว่าเขา ตอนี้ว่โอมานะคือดูหมิ่นตัวเองเป็นการกดตัวเองให้ต่มลงไปเป็นการลดสถานะของตัวเองแต่เราเห็นว่าลักษณะเหล่านี้อย่างพวกฝรั่งยุโรปอเมริกานั้นมักจะดูหมินชนชาติอื่นเป็นคนป่าเถื่อนเป็นคนไร้าการศึกษาในทางศาสนาก็อาจจะพูดว่าเป็นคนนอกรีต แล้วคนเราบางพวกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไปยอมรับตัง้งแต่สถานะเหล่า น, นั้นแล้วก็ดูหมิ่นตัวเองไม่รู้ไหมไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจเขาเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้และใรที่สุดจะไม่ยอมพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามก็เรียกว่าขุดหลุมฝังตัวเอง เป็นแนวก็เรียกโอมานะพืดุมินตนจนกลายเป็นชาติพันธ์เผ่าพันธ์มนุษย์อย่างเช่นพวกวันนะสูรหรือหาริจันที่ประเทศอินเดียปัจจุบันนั้นมีประชากรประมาณ80ดสิบล้านซึ่งหมายความว่าออกไปสร้างประเทศได้ทั้งหลายประเทศเพราะประเทศบางประเทศมีประชากรสามสี่ล้านก็มีพวกนี้มีตั้งแปดสิบล้านมากกว่าประชากรในประเทศไทยเะอีก แต่ก็จึงปรากฏว่าเป็นลูกตุ้มถ่วงตัวเองแล้วก็ถ่วงสังคมดูหมินตัวเองโดยวันนะถือเป็นวั น, นะต่ำไม่เหมาะที่จะศึกษาไม่เหมาะที่จะทํางานแล้วก็กดดูหมิ่นตัวเองกันเกิดมาถ้ารูปร่างหน้าตาดีไม่เหมาะที่จะเป็นอยู่ในวันนะนั้นก็ต้องทําลายอาวัยวะเห็นทําทให้ตาบอดทําให้แขนหักทําให้มือขาดเป็นต้นเพื่อเหมาะสมกับการดรํารงชีพ เป็นขอถานนี่คืออาการของโอมานะมันก็เป็นอันตรายไม่ใช่ธรรมดาก็ะทบกระเทือนหมดทั้งตนเองทั้งครอบครัวทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็ไม่มีโอกาสช่วยชาติบ้านเมืองกระทบในทางด้านการทหารบังทีก็เสมอกับคนอื่น แต่เกิดมีความรู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าเสมอกว่าคนอื่นหรือว่าต่ำกว่าคนอื่นหมายความว่าจิตมันก็วิ่งไปโดยการดูหมิ่นบุคคลอื่นบ้างโดยการตีเสมอคนอื่นบ้างด้วยการซ้ําเติมตัวเองบ้างและแม้แต่เราต่ำกว่าเขาในบางเรื่งก็มีความรู้สึกว่าเราเลิศกว่าเขาหรือเราเสมอเขาหรือเราต่ำกว่าเขา เป็นการกระจายไปของความรู้สึกเมื่อคิดนึกคิดที่ทสืบเนื่องมาจากมานาะซึ่งความมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความขุดมัวเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในใจบางทีก็ไปกระทบคนอื่นบางทีก็ไปมีการซ้ําเติมตัวเองแต่วตัวเกิดดันจะเอาตัวเองเป็นฐานในการเกิดเป็นฐานในการเทียบเคียงในการวินิจฉัย เป็นเอได้เกิดดูหมินคนอื่นตีเสมอผุคคนอื่นหรือว่าดูหมินตัวเองแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองมณนะอีประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าอาัคคมานะเป็นความรู้สึกหลงผิดเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมาในทางพระวินัยนันภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมก็ อ, อวดคุณพิเศษต่างๆ เช่นว่าเราได้สมาธิได้ฌานได้มรรคผลอะไรก็ตามก็ปรับอวบัติประราชิชกอขาดแต่ความเป็นพระไปแต่มีการปฏิบัติ บ, ตบางระดับพอถึงจุดหนึ่งนี่หลงทางเลยเช่นเกิดวิปัสสนูเป็นกิเลสขึ้นแลเกิดเข้าใจว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นระยะบุคคลนะแล้วตั้ง็จะเดินสมาธิมาอยู่ตรงนี้ทุกที กิเลสไม่มีปรากฏอยู่ภายในใจอารมณ์ที่มากระทบถ้าไม่แรงเกินไปกิเลสมันก็ไม่ขึ้นมาเพราะงั้นท่านก็เข้าใจว่าท่านบนรรลุมมผลแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลผลของการ ป, รปฏิบัติถ้าจะถามมาถ้ากราบทูลอย่างนั้นผิดไหมไม่ผิดอะเพราะจริงๆท่านเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริง ไม่ได้เจตนาโกหกหรือว่าเจตนาทุจริตท่านก็พูดไปทำความจริงที่ท่านสัมผัสอันนี้ก็จะมองย้อนกลับไปที่สัาจจาวัจจะถึงท่านสาธชนท่านหลายใจน้อยสัจจวาจาที่จริงไม่ใช่จริงสมบูรณ์ในบางการณีเจ็นคนเดินมาสิบคนเราเห็นเพียงแปดคนนั้นเองแล้วเราก็บอกว่าเห็นแปดคน ก็สสแสดงว่าจริงๆไม่ใช่จริงโดยสมบูรณ์แต่ว่าจริงตามที่เราเห็นด้านนั้นเองผลการประญาณถดนี้เราก็ถือว่าตามที่ท่านสัมผัสไม่ปรับอบัตแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านท่านเป็นหรือไม่เป็นผลแตรูปใดกลุ่มใดยังไม่บรรลุมาผลจริงจะเข้าประราบทูลอย่างนั้นจะไม่เข้าเฝ้าแต่จะแนะนาให้ท่านเข้าไปในส่วนใหญ่จะเข้าไปในป่าช้า ให้ไปดูซักศพไปพิจารณากักศพซึ่งในสมัยโบราณมีศาสนาศาสน า, า, ส า, าหนึ่งปัจจุบันเรียกว่าสโสรัตเตอร์เขาไม่เผาศพแต่ว่าใช้ให้ศพเอาศพไปทิ้งไว้เพื่อให้แรงกามันกินเป็นอาหารแล้วศพเราเนี้ยที่พระใช้เจริญกรรมาฐานกันตลอดถึงไปชักผ้าบางสกุลมาทำจีบอลคือศพพวกนักถือาศาสนาสรัตเตอร์ ศ า, าสนาปาฏิสีมีมาแต่โบราณเหมือนกันเพราะฉน้ท่านเหล่านี้พอไปดูศพมันก็เห็นทันทีว่าศพ บ, บางอย่างนี้ชิ้งกันตัวอุ่นๆกันไปได้ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของศพมีความพอใจสนใจมีความกำนัดมีความรำคาญมีความรังเกียจมีความหวาดกลัวก็แล้วแต่แต่อาการเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นอานการของกิเลสทั้งนั้น แสดงว่าพระหันไม่เกิดอาการเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นท่านก็เกิดปัญญาอย่างรู้ว่าท่านหลงผิดเข้าใจผิดแต่พระเจ้า ก, ก็จะช่วยโปรดชี้แจงอธิบายให้ต่อนนี้นี่ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสุบสุขต่อไป